วันนี้เป็นวันที่สองวันพุทธที่สองตุลาคมพุทธศักราช2567เป็นวันพระวันธรรมสวนะัสวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบ ร, ริษัทผู้ ฝ่ายธรรมผู้ยินดีในรถแห่งธรรมจะได้มาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงนั่นก็คือรถของความสงบของใจ ที่เกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้ท่านก็จะมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันเต็มในรูปเต็มในรูปในรูปแบบในในรูปแบบเต็มที่คือหนึ่งวันกับหนึ่งคืนอย่าใช้เวลาของวันพระ ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นของวันนี้คือประมาณหกโมงเช้าไปจนถึงพระอาทิตย์ขึ้นของวันรุ่งขึ้น mm. ก็จะได้เวลาหนึ่งวันกับหนึ่งคืน mm. จะใช้เวลานี้ให้กับการปฏิบัติบูบชา mm. ปฏิบัติเนคขมะ คือถือศีลแปดเป็นอย่างน้อยศีลแปดศีล hmm. สิบศีลสองร้อยยีิบเจ็ดเรียกว่าเป็นศีลของนักบวช mm hmm. ถ้าเป็นคลรวะทุกองเรือน mm hmm. ก็จะมาเป็นอุบาสกอุบาสิกา mm hmm. วาสกก็คือผู้ชายที่ถือศีลแปปฏิบัติธรรม ถ้าผู้หญิงก็เรียกว่าอุบาสิกาเป็นผู้ที่ถือศีลแปดแล้วก็ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหนึ่งวันกับหนึ่งคืนยกเว้นเวลาหลับคือมาเป็นนักบวชชั่วคราวนั่นเองเพราะการที่จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมคือความสงบของใจนี้ จำเป็นต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยก็หนึ่งวันกับหนึ่งคืนถึงจะมีโอกาสที่จะสามารถทาใจให้สงบได้ทำใจให้มีความสุขปรากฏขึ้นมาที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงสำหรับท่านที่วันนี้ต้องไปทำงานไม่สามารถ ปฏิบัติธรรมไม่สามารถมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาได้ก็ต้องเปลี่ยนวันพระของท่านให้ไปตรงกับวันหยุดทำงานถ้าวันหยุดทำงานเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ mm. ก็ใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี้มาเป็นวันพระแทนแล้วก็มาอยู่วัดมาปฏิบัตินีิยมะ คือถือสินแปดละเว้นจากการเสกการมุสุขคือความสุขจากรูปเสียงเกินรดโสดพะชนิดต่างๆเพราะความสุขของกามคุณห้านี้จะขัดขวางไม่ให้ใจเข้าสู่ความสงบได้นั่นเองผู้ที่เสกกามอยู่เสกรูปเสียงกกินรดโสดภะอยู่นี้ จะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบของใจได้เพราะอำนาจของกามคุณห้านี้อำนาจของกามฉันทะความินดีความชอบความอยากเสพรูปเสียงกยลิ่นรสโผฏฐัพพะจะเป็นเหมือนกำแพงกั้นไม่ให้จิตใจเข้าสู่ความสงบของสมาธิได้ ดงนนผู้ที่ต้องการที่จะสัมผัสกับรถแห่งธรรมรถของความสงบที่เป็นความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็จําเป็นที่จะต้องละเว้นการเสกการมมาจเจริญในฆัมมะธรรมคำว่านฆัมมะก็แปลว่าการออกจากการหาความสุข ทางการมคุณห้านี่เองไม่ว่าใครก็ตามที่ต้องการที่จะพบกับรสแห่งธรรมคือรสของความสงบที่เหนือกว่ารสทั้งปวงจำเป็นที่จะต้องมีในขมมะมีการปฏิบัติในขมมะคือต้องเป็นต้องมีถือศีลของนักบวชเริ่มตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไป บางท่านก็ถือศีลแปบางท่านก็ถือศีลสิบบางท่านก็ไปบวชเป็นพระก็ถือศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อถึงจะสามารถที่จะทำลายกาแพงของการมชันทะความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายได้เข้าสู่ความสงบได้นี่คือเบื้องต้นของผู้ที่ต้องการที่จะ สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทางปวงจาเป็นที่จะต้องทำลายกำแพงที่ขวางกั้นการเข้าสู่ความสงบของใจด้วยการละเว้นการเสดการมคุณห้าด้วยการถือศีลแปดศีลแปดก็มีศีลที่เกี่ยวกับการไม่ทำบาปอยู่สามข้อ สี่ข้อก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดปดไม่ดื่มของมูนเม า, ามการดื่มการดื่มของมูนเมานี่ก็ถือเป็นการมฉันแคเป็นกามาขุนเป็นการเสพกรามเหมือนกันเสพรสของสุรายาเมาดนั้นการไม่ทํำบาป ก, ก็มีอยู่สามข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ พูดปดโกโหกหลอกรวงแล้วก็มาถือในคัมมะอีกห้าข้อคือไม่เดิมสุรายาเมาของมึนเมาไม่เสพรสของสุรายาเมาแล้วก็ไม่เสพรสของการร่วมเพศกันให้ถือศีลพรหมจรรย์ศีลข้อสามที่เคยอยู่ในศีลห้าก็คือกาเมสุมิชาจารา การไม่ประพฤติผิดประเพณีก็เปลี่ยนมาเป็นอบ布拉มจาริยาเวราเมานีมคือจะไม่ประพฤติกิจของผู้ที่ไม่ไม่ใช่เป็นพรหมจรรย์<ม>ผู้เป็นผู้เป็นพรหมจรรย์ก็จะไม่เสพการร่วมหลับนอนกันไม่ไม่ร่วมเพศกันไม่หาความสุขจากการร่วมเพศกัน น, นี่ก็คือสิข้อที่สามในศิลงแปดแล้วก็เพิ่มศิ่งข้อที่หกก็คือไม่หาความสุขจากการดื่มรับประทานอาหารตามความอยากให้ดื่มรับประทานอาหารตามความจําเป็นตามความต้องการของร่างกายก็คือไม่รับประทานอาหารมากจนเกินไป อย่างมากก็วันละสองมือม้อหลือถ้าอย่างน้อยก็วันละหนึ่งมือ้อแต่ไม่ให้ไม่ให้รับประทานหรือดื่มอะไรหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว อ, อยู่เพื่อกินหรือกินเพื่ออยู่นักปฏิบัติธรรมนี้กินเพื่ออยู่กินเพื่อเลี้ยงดูร่างกายให้ร่างกายมีกำลังวางชาให้ดับความหิว ทวามต้องการของร่างกายกับอาหารและเครื่องดื่มต่างๆเท่านั้นไม่ได้อยู่เพื่อกินอยู่เพื่อกินก็กินแบบกินตามความอยากกินตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็กินสายหน่อยก็กินเที่ยงก็กินบ่ายก็กินเย็นก็กินค่ำก็กิน ก่อนนอนตอนเด็กก็ติดกก็กินอันนี้แบบลักษณะแบบอยู่เพื่อกินเกิดมาเพื่อกินเกิดมาเพื่อหาความสุขจากการกินจากการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มต่างๆซึ่งเป็นการเสพการมคุณห้าล น, นเองใป็นการเสพรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารทำให้ติดอยู่กับการเสพแบบนี้ จะไม่สามารถที่จะไปฝึกสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบได้เลยถ้าอยู่เพื่อกินต้องกินเพื่ออยู่ก็คือกินเพื่อที่จะเลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นเหมือนกับกินยามีเวลามีเวลามีปริมาณที่พอสมควรไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปกินเพื่อดับความหิว ป้องกันความหิวไม่ให้เกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วเท่านั้นเองนี่คือสีลข้อที่หกเรื่องรับประทานอาหาร<ม>เพราะถ้ารับประทานอาหารตลอดเวลาร่า<ม>งกายมันจะง่วงนอนเวลานั่งสมาธิมันจะสับกักสงบเวลากินอิ่มแล้วก็อยากจะนอนมไม่อยากจะนั่งสมาธิไม่อยากจะเดินจงกรมไม่อยากจะเจริญสติ ไม่อยากจะฟังเทศฟังธรรมการกินอิ่มมีพีมานนี้จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติเพื่อให้ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงผู้ที่ต้องการที่จะสวงหาความสุขจากความสงบจึงจำเป็นที่จะต้องถือศีลข้อหกนี้คือไม่รับประทานอาหารมากจนเกินไป และไม่ไม่ไม่รับประทานหลังเที่ยงวันไปแล้วเพื่อที่จะได้ไม่มีไม่มาเป็นอุปสรรคสำหรับการปฏิบัติจิตตภาวนาเพื่อที่จะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบได้อันนี้ก็คือศีลข้อที่หกนิยมมะการละเว้นการหาความสุข จากการดื่มจากการรับประทานอาหารต่างๆแล้วก็มาข้อที่เจ็ดคือละเว้นจากการหาความสุขจากการดูมหระศบบันเทิงต่างๆร้องรำทำเพลงไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆดูหนังดูภาพยนตร์ดูละครดูลิเกดูการลเล่นต่างๆหรือเล่นหรือแสดงหรือเล่น หรือเต้นร้องเต้นร้องเต้นเพลงเต้นรำน้องเพลงกันร้องนำทําเพลงกันอันนี้จะไม่ให้หาความสุขจากสิ่งเหล่านี้เพราะมันจะทําให้ไม่มีเวลาที่จะมาให้กับการปฏิบัตินั่นเองถ้ามือแต่ดูมือถือดูอะไรที่มีอยู่ในมือถือบันเทิงตา่างๆ รเรื่องราวต่างๆที่ไม่ใช่เป็นธรรมะไม่ควรที่จะดูเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องนินทาการเล่เรื่องของชาวบ้านเรื่องของทางโลกมันเป็นเรื่องที่จะทำให้ใจไม่สงบทำให้ใจวุ่นวายจะทำให้ยากต่อการที่จะมาทำจิตใจให้สงบได้และก็จะทำให้ไม่มีเวลาพอกับการปฏิบัติเจริญสติ ก็ที่จะมาควบคุมใจให้นิ่งให้สงบได้ถึงไม่ควรจะเสพมหรลบัตมหรสบันเทิงต่างๆแล้วก็ไม่ให้เสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าพรที่วิจิตพิสดารด้วยเครื่องสำางชนิดต่างๆน้ำมันน้ำหอมอะไรเป็นต้นเพราะว่ามัน จะทำให้ไม่มีเวลามาให้กับการปฏิบัติจะเสียเวลาไปกับการกระทากิจเหล่านี้นั่นเองให้อยู่แบบเรียบง่ายนุ่งขาวห่มขาวหรือถ้าไม่มีนุ่งขาวห่มขาวก็นั่งใส่เสื้อผ้าแบบธรรมดาธรรมดาก็ได้ถ้าไม่ได้มาอยู่ที่วัดถ้าปฏิบัติที่บ้านก็ใส่เสื้อผ้าแบบธรรมดาปกติไม่ต้องแบบชุด ชุดนั้นชุดนี้สำหรับออกงานไปที่นั่นที่นี่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเสริมสวยความงานอย่างมากก็รักษาร่างกายให้สะอาดก็พออาบน้ำหลับท่าอาบน้าหลับท่าหวีผ้าหวีผ้าห ว, วีผมให้มันเรียบร้อยก็พอจะได้ไม่เสียเวลาไปกับกิจเหล่านี้จะได้มีเวลามาให้กับการเจริญสติ มานั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบเพราะถ้าไม่มีเวลาให้กับการเจริญสติสติจะไม่มีกำลังพอที่จะทำใจให้นิ่งให้สงบได้เวลาที่นั่งสมาธิกัน mm hmm. นี่ก็คือเสียงข้อเจ็ดเนคขมะการปฏิบัติเนคขมะการไม่หาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบของมหรสบและบันเทิงต่างๆ และการเสริมสวยความงามต่างๆของร่างกายแล้วก็มาสิ่งท้อที่แปดก็คือไม่ให้หลับนอนมากจนเกินไปให้ให้ใหลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายปกติร่างกายถ้ามีความว่่งนอน เ, เหนื่อยๆเมื่อล้ต้องการพักผ่อนให้ร่างกายพักให้นอนพักสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมา แต่ถ้า น, นอนบนเตียงที่สุขที่สบายที่เรียกว่าเตียงสาราญมีฟูกเ้านหนาะเวลาที่ร่างกายได้พักพอแล้วเดินขึ้นมาใจจะไม่อยากจะลุกอยากจะนอนต่อความอยากหาความสุขจากการหลับนอนบนฟูกเ้านนาะบนเตียงสารานมันก็จะทำให้ไม่อยากจะลุกขึ้นมาอยากจะนอนต่อ ก็อาจจะนอนต่ออีกสามสี่ชั่วโมงก็ได้ก็ทำให้เวลาที่จะให้มากับการปฏิบัติจเจริญสตินั่งสมาธิก็จะหมดไปกับการหลับนอนถ้าไม่ถือศีลแปแล้วกิจกรรมเหล่านี้จะมาคอยแย่งเอาเวลาของการปฏิบัติไปแล้วก็จะมาสร้างกำแพงกั้น ไม่ให้จิตใจเข้าสู่ความสงบได้กำแพงของกามะฉันทะนี่เรียกว่านิวรณ์การปฏิบัติสมาธินี่จะมีนิวรณ์มีเครื่องกิดขวางกำแพงขวางกัน้นการเข้าสู่ความสงบอยู่ห้าชนิดด้วยกันชนิดที่เราพูดถึงนี้ก็เรียกว่ากามฉันทะความยินดีความอยากเสรรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพนี้ ถ้ามีความยินดีมีความอยากจะเสพมันก็จะไปเสพรูปเสียงกลิ่นลดกันเวลานั่งสมาธิมันก็จะไม่มีให้เวลามานั่งไม่มีเวลามาให้กับการเจริญสติ mm hmm. ถ้านั่งสมาธิเพียงแค่ครั้งละครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้เจริญสติเลยก่อนที่จะมานั่งนี่นั่งไปจนวันตาย mm hmm. ก็ไม่มีวันที่จะสัมผัสกับความสงบได้ยกเว้น mm hmm. คนที่เคย สร้างบา ร, รมีเหล่านี้มาแล้วในชาติก่นกอนๆเคยมีสมาธิอยู่แล้วเคยเข้าสมาธิได้อยู่แล้วพวกนี้เป็นกรณียกเว้นบางทีไม่ได้ถือศีลไม่ได้อะไรเพียงแต่อยู่ว่างๆเฉยๆคนเดียวไม่ต้องกําหนดพุดโทโธไม่ต้องกําหนดลมหายใจเวลาอยู่ตามลําพังไม่มีอะไรมามารบกวนใจ ใจก็ จ, จะรวมเข้าสู่ความสง บ, บได้เลยอันนี้มันเป็นกรณียกเว้นไม่ใช่สำหรับคนทั่วไปคนที่สามารถจิตรวมได้โดยที่ไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องเจริญสตินี่หมายถึงเขามีสติพอแล้วหมายถึงจิตเขาเคยรวมแล้วเพียง <c oughs> แต่ขอให้เขามีกายวิเวกให้สถานที่ที่เขาอยู่มันสง บ, บสงัดวิเวก ไม่มีอะไรมาลบกวนใจพอจิตยอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทําไม่มีใครมาลบกวนใจจิตที่เคยรวมเข้าสู่สมาธิก็จะรวมเข้าไปได้อย่างอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องบังคับแต่นี่เป็นกรณียกเว้นเช่นพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะตอนที่เป็นเด็ก มีวันหนึ่งท่านประทับอยู่ใต้โคนไม้ตามลําพังเพราะพวกบริษัทบริวารที่คอยห้อมล้อมคอยรับใช้นั้นพอดีไหมต้องไปทําภารกิจอย่างอื่นชั่วคราวก็เลยปล่อยให้ท่านนั่งอยู่ตามลําพังอยู่ใต้โคนต้นไม้พอไม่มีใครมาห้อมล้อมไม่มีใครมายุ่งกับใจใจที่เคยสงบพอได้ความสงบรอบด้าน ใจก็เลยสงบลงไปที่เรียกว่ากายวิเวกจิตวิเวกกายอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกพอกายอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกจิตที่เคยวิเวกจิตที่เคยรวงเคยที่เคยสงบเคยเข้าสมาธิได้แล้วมันก็จะเข้าไปเองโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นกรณียกเว้นแต่จำนบทั่วไปแล้วต้องเจริญสติให้มากๆกก่อน ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาที่เราจะมานั่งสมาธินี้ต้องมีการเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่อง mm hmm. ไม่ว่าจะใช้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งใช้วกรรมคําบาลีรมพุทโธพุทโธเป็นเครื่องกํากับใจให้มีสติตั้งอยู่กับพุทโธ mm hmm. ไม่ให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆ ต, mm hmm. ตื่นขึ้นมาก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ mm hmm. หรือ บางท่านอาจจะใช้กายกตาสติเป็นอารมณ์คือใช้การเคลื่อนไหวการกระทําต่างๆของร่างกายเป็นอารมณ์เฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะทําอะไรใจก็ทําไปกับร่างกายร่างกายอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันใจก็อาบน้าล้างหน้าแปรงฟันไปด้วยดูตลอดระยะดูทุกอิรลยาบทของการเคลื่อนไหวของร่างกาย ไม่ให้ใจไปที่อื่นไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับร่างกายตลอดเวลาเป็นอารมณ์อันนี้ก็เป็นวิธีเจริญสติอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่ากายากตาสติมีการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายเป็นที่ตั้งของสติถ้าใช้พุโทโธก็มีพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งของสติ พุทธานุสติถ้ามีการเจริญสติอย่างนี้อย่างต่อเ น, นื่องพอถึงเวลาที่จะมานั่งสมาธิก็สามารถนั่งสมาธิโดยการใช้อานาปานาสติได้ไม่ต้องใช้พุโทโธไม่ต้องใช้กายกตาสติแต่เปลี่ยนมาเป็นอานาปานาสติอานาปานแปลว่าลมเข้าลมออกให้รู้อยู่กับการเข้าออกของลมหายใจที่ปลายจมูก ถ้าฝึกสติมาอย่างต่อเ น, นื่องแล้วสติก็จะมีกำลังที่จะสามารถดูดูลมหายใจได้ลมหายใจนี้เป็นของที่ดูยากเพราะว่ามันเป็นของละเอียดต้องมีสติมากพอถึงจะสามารถเห็นลมเข้าลมออกได้อย่างชัดเจนถ้ายังไม่สามารถเห็นลมเข้าออกได้ก็าอาจจะต้องอาศัยการเจริญสติด้วยพุทธานุสติต่อด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธต่อไป ก็ได้ถ้าอยู่กับคำบริกรรมพุทธโธพุทธโธพอสติมีกำลังมากพอก็สามารถดึงใจให้เข้าสู่สมาธิได้ mm hmm. เวลาใจเข้าสมาธิด้วยการบริกรรมพุทธโธนี้มักจะเกิดอาการเหมือนกับตกหลุมตกบ่อตกจากที่สูงลงมาตกมาแล้วก็นิ่งสงบเย็นสบายพุทธโธก็หยุดไปหายไปเหลือแต่สักแต่ว่ารู้เอกคัตาลม เหลือแต่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือความสุขที่เกิดจากความสงบเหลือแต่อุเบกขาใจไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงในขณะนั้นนั่นก็คือเป้าหมายของการฝึกสตเิเป้าหมายของการเจริญในคขมะรักษาศีลแปดเพือ่อที่จะได้มาเจริญสติได้อย่างต่อเนื่อง แล้วพอถึงเวลาที่นั่งสมาธิก็มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่างต่อเนื่องแล้ว อ, อยู่กับคำบริการพุทธโธอย่างต่อเนื่องจิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้เข้าสู่ลแถแห่งธรรมที่ชนะลถทั้งปวงได้ผู้ใดที่ได้สัมผัสกับลแถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงแล้วนี้จะไม่ไปแสวงหา รสของกลางมาส่งติต่อไปความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสนี้เมื่อมาเปรียบเทียบกับความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันเป็นเหนือนฟ้ากับดินคนละระดับกันความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มันเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ชนิดต่างๆ mm. ผู้ใดที่ได้สัมผัสกับโรสแห่งธรรมแล้ว ถึงแม้ว่ายัางไม่สามารถรักษาให้อยู่กับใจไปได้ตลอดก็ตามในเวลาออกจากสมาธิมาความสงบก็จะจางหายไปความสุขที่ได้จากความสงบนี้ก็จะจางหายไปแล้วก็อาจจะเกิดกิเลสโผล่ขึ้นมาได้เกิดความอยากที่จะไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่อไปได้ก็ต้องใช้การปฏิบัติในี่ยขมารคือสิงแตกหรือสูงกว่าแล้วก็การเจริญสติคอย คอยคอยหยุดมันไว้เพราะว่าสติกับสมาธินี้ยังไม่สามารถที่จะทำลายการมฉันทะความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสกวดาพลาชนิดต่างๆได้แต่สามารถที่จะคอยคุมมันไว้ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลาออกจากสมาธิมาถ้าเพิ่งเป็นครั้งแรกหรือเพิ่งเป็นครั้งเริ่มต้นในการฝึกสมาธิ ก็เวลาออกจากสมาธิมาก็ให้เจริญสติต่อเหมือนกับตอนที่ก่อนจะเข้าสมาธิ<ม>เคยเจริญพุทธานุสติก็บริกรรมพุทธโธต่อไปเวลาออกจากสมาธิมาแล้ว mm. เคยเจริญกายกตาสติก็เจริญต่อไปค mm. อยควบคุม mm. กิเลสตัณหาไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาเพื่อมาสร้างความอยากต่างๆให้กับใจ อันนี้เป็นขั้นเบื้องต้นของการฝึกขัดสติกับสมาธิการเข้าสมาธิได้ครั้งแรกนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าได้ทุกครั้งไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องฝึกฝนอบรมทาไปเรื่อยๆบ่อยๆจนกว่าจะชำนาญถึงจะสามารถเข้าสมาธิได้ทุกครั้งในขณะที่นั่งสมาธิถ้าออกจากสมาธิมาแล้วไม่เจริญสติต่อ ปล่อยให้ใจคิดไปจนเกิดการฟุ้งซ่านขึ้นมาพอจะกลับเข้าสมาธินี้จะรู้สึกจะยากกว่าครั้งแรกครั้งแรกค่อยคอยมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้ฟุ้งซ่านให้สงบระงับจากการมัฉันท่าต่างๆเพราะฉะนั้นการฝึกสติหลังจากที่ออกจากสมาธิถ้ายังเป็นครั้งแรกๆอยู่ในการได้สมาธิ ก็จำเป็นที่จะต้องฝึกสติต่อไปสลับกับการเข้าสมาธิไปทำสองอย่างนี้เวลาไม่ได้นั่งสมาธิก็เจริญสติพุทธานุสติก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือถ้าใช้กายากตาสติก็คอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของนั่งกายไปทําอย่างนี้เวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิเวลามานั่งสมาธิก็ใช้อนาปนานสติ หรือจะใช้พุทธโธบริกรรมพุทธโธก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือบางท่านอยากจะใช้สองอย่างควบคู่กันไปก็ได้แล้วแต่ความถนัดความพอใจบางท่านรู้สึกว่ามันยุ่งยากที่จะต้องผูกพุทธโธไว้กับลมหายใจก็ไม่ต้องใช้พุทธโธผูกกับลมหายใจก็ได้ดูดูลมหายใจเพียงอย่างเดียวที่ปลายจมูกดูว่ามันเข้ามันออกไม่ต้องทาอะไรกับลม ไม่ต้องไปควบคุมมันครับไม่ต้องไปหายใจลึกๆหายใจยาวๆปล่อยให้มันหายใจตามที่มันเคยหายใจเหมือนตอนที่ก่อนที่เรามานั่งสมาธิเราก็ไม่ได้ไปควบคุมลมหายใจเราก็ปล่อยให้มันหายใจไปตามธรรมชาติของมันมันจะสั้นหรือจะยาวก็เป็นเรื่องของมันมันจะหยาบหรือจะละเอียดก็เป็นเรื่องของมันเราเพียงแต่มีหน้าที่คอยดูมันเท่านั้นเองคอยผูกใจไว้กับลมหายใจ เพื่อไม่ให้ใจลอยไปคิดกับความคิดต่างๆแค่นั้นเองเป้าหมายคือไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกถ้าสามารถอยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกได้ใจก็จะสามารถเข้าสู่สมาธิได้ถ้าดูลมหายใจเข้าออกเวลาเข้าสู่สมาธินี้อาจจะไม่ได้ตกหลุมตกบอก่อแต่อาจจะมตกเป็นทีละขั้นตก หลบจากที่สูงลงมาเป็นขั้นบันไดตกลงมาว่างวุบลงมาสั้นๆแล้วก็นิ่งแล้วถ้ามีสติอยู่กับการดูลมต่อไปมันก็จะสงบเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าเนี่ยมันก็จะนิ่งเข้าไปเป็นขั้นๆจนกว่าจะถึงขั้นสุดท้ายแนละ้วมันก็จะปล่อยลมลมก็จะไม่ได้อยู่ในความรู้สึกรับรู้อีกต่อไปเพราะใจไม่คิดปรุงแต่งใจไม่ดิ้นไปไหนมาไหนแนละ้วใจอยู่เฉยๆได้ อยู่กับความสงบอยู่กับความนิ่งอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบมีโอเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงนี่คือวิธีเวลานั่งสมาธิผลนี้อาจจะไม่เหมือนกันแล้วในแต่ละครั้งอาจจะไม่เหมือนกันบางทีลงทีเดียวพูดพลาดไปถึงก็ได้ถึ ง, ถ, งถึงฐานของจิตเลยก็ได้บางทีก็ลงเป็นทีละขั้นทีละ ขั้นไปจนก่อนอยายะถึงข่ถึงฐานของจิตคือความนิ่งสงบอย่างเต็มที่แล้วขณะที่เวลานั่งถ้าเกิดมีอาการอะไรแบบแบบปลกๆปรากฏขึ้นมาในใจให้รับรู้ก็อย่าไปสนใจไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียง เ, เป็นกลิ่นเป็นรสเป็นอะไรก็ตามอย่าไปให้ความสนใจให้เกาะติดอยู่การภาวนาถ้าอยู่ใช้ถ้าใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธ ก็ให้อยู่กับคำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆมีรูปมีเสียงมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปตามรู้อย่าไปสนใจถ้าไปตามรู้ก็แสดงว่าเราหยุดภาวนาหยุดดูลมหยุดบริกรรมพุโทโธพอหยุดแล้วมันใจก็จะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้เพราะถูกถูกหลอกให้ไปติดตามดูสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่กาลังทาสมาธิอยู่ เพราะฉะนั้นเวลามีอะไรปรากฏขึ้นมาให้รับรู้หรือมีความรู้สึกทางร่างกายเช่นเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้คันตรงนั้นคันตรงนี้หรือรู้สึกว่าร่างกายเองไปข้างหน้าเองไปข้างหลังอเองไปทางซ้ายเองไปทางขวาก็ไม่ต้องไปขยับมันอย่าไปแตะร่างกายกลับมาที่พุโทโธพุโทโธต่อไปหรือกลับมาที่ดูลมหายใจต่อไปมันเป็นมายามาหลอกใจให้เสียสต ให้เสียสมาที่ให้เสียสติไม่ให้มีสติอยู่กับพุโทโธไม่ให้มีสติอยู่กับลมหายใจนั่นเองนะปฏิบัติต้องรู้ว่าของเหล่านี้มันไม่มีคุณค่าราคาเลยอย่าไปหลงตามมันรู้มันแล้ว เ, เดี๋ยวจะถูกมันหลอกหลอกว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาอนี่คือปัญหาของนักปฏิบัติถ้าไม่มีครูไม่มีอาจารย์ที่มีประสบะการณ์ คอยบอกคอยเตือนว่าถ้านั่งไปถ้าศึกษาตามถ้าปฏิบัติตามคำพังนี่พอเกิดอะไรโผล่ขึ้นมาก็จะเหมาว่าเป็นเทวดามั่งเป็นพระอริยะมั่งเป็นอะไรไปบ้างเฉะนั้นเราไม่ได้เป็นอะไรในขณะที่เรานั่งสมาธิเรายังเป็นคนชื่อเดิมอยู่มีอายุเท่าเดิมอยู่มีอะไรมีเกณเงินเดือนเท่าเดิมอยู่ไม่ได้เป็นเทวดาไม่ได้เป็นพระอะไรทั้งนั้นให้รูไว แล้วออกจากสมาธิมาเราก็เป็นเหมือนเดิมก <im> the <benchmark> ่อนที่เรานั่งสมาธิเราเป็นอย่างไรขณะที่เรานั่งสมาธิเราก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ขณะที่เราออกจากสมาธิเราก็เป็นอย่างนั้นอยู่เราก็เป็นคนเดิมอยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่าให้สิ่งที่ปรากฏเป็นภาพร้อนภาพหลอกมาหลอกเราให้เราคิดว่าเราเป็นพระโสดาบั้งเป็นพระสกิาคามั่งพระอนาคามั่งพระอรหันต์มั่ง ยังไม่ถึงขั้นนั้นการที่จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้ยังต้องไปสู่อีกขั้นหนึ่งขั้นวิปัสสนาขั้นปัญญาแล้วต้องสามารถละสังโยชนิเลษตที่มาสร้างความทุกข์ทรมานใจให้หมดสิ้นไปให้ได้จะต้องเห็นความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเห็นปัญญาที่ใช้ใช้ใช้ไตรักษใช้อันนี้ใช้อริยสัจสี่มากําจัด ทางยอมากำจัดกิเลสมาดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจในขณะนั้น<ม>จนความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นดับไปอันนั้นเป็นอีกขั้นหนึ่งยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะฉะนั้นเวลานั่งสมาธิเห็นอะไรนี้อย่าไปหลงเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเป็นภาพหลอกภาพหลอน<ม>เราต้องรู้ว่าเราท่งสมาธิเพื่อความว่างความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เท่านั้น อย่างอื่ น, นั้นล้วนเป็นของปลอมทันั้นล้วนเป็นสิ่งที่ไม่มีคนมีประโยชน์กับจิตใจแต่อย่างใดเราต้องการความสุขจากการนั่งสมาธิเพื่อที่เราจะได้เลิกหาความสุขจากการเสษการามนั่นเองถ้าคนที่เข้าสมาธิได้มีความสุขจากการเข้าสมาธิได้ชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปเคยเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็เลิกเที่ยวเป็นคนที่ชอบกินชอบดื่มชอบจัดงานเลี้ยงอะไรก็เลิกจัด เรื่อง ก, กิจกรรมทางการนี้จะเลิกถ้ายัางเลิกไม่ได้หมดก็อย่าค่อยๆทยอยเลิกไปเรื่อยๆ ง, งานสังคมอะไรต่างๆก็จะลดอย่าไม่ไม่เข้าไปไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครอยากจะไปหาที่สงบสงัดวิเวกหาเวลาให้กับการปฏิบัติทำใจให้สงบเพราะความสุขที่ได้จากการปฏิบัตินี้มันเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปววนั่นเอง แล้วก็จะทำให้ชีวิตนี้เรียบง่ายขึ้นไม่ต้องวุ่นวายกับการที่จะต้องไปหาเงินหาทองไปทำงานทำการเพราะว่าการจะเสพการมาสุขนี้มันต้องใช้เงินทองจะไปเที่ยวก็ต้องใช้เงินทองจะไปกินไปดื่มก็ต้องใช้เงินทองจะไปซื้อของหรูหราซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆก็ต้องใช้เงินทองอก็ต้องดิ้นรนกับการทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาเงินหาทองเพื่อมาเสพการมาคุณ ซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากและบางทีก็หาได้บางทีก็หาไม่ได้เวลาหาไม่ได้ก็เครียดไม่ได้เสพเสพสุขตามที่ต้องการสู้การมาหาความสุขจากการทําใจให้สงบไม่ได้ไม่ต้องใช้เงินทองเพียงแต่ขอให้มีเวลาให้กับการปฏิบัติเท่านั้นเองมีสถานที่สงบสงัดวิเวกเชน่นไปอยู่ตามวัดปฏิบัติ ต, าตา่างๆ วัดป่าวัดเขาวัดที่เขามีการปฏิบัติจะเป็นวัดที่จะเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการบําเพ็ญจิตตะภาวนาจเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบนะใครได้สัมผัสกับสมาธิแม้แต่เพียงชัวว่วแวบเดียวช่วงแรกๆนี้เวลาจิตสงบครั้งแรกนี้มันมักจะสงบแบบแว บ, บเดียวที่เราเรียกว่าคณิกะสมาธิ สงบแบบงูแล็บลิ้นหรือแบบฟ้าแลบจิตรวมนิ่งอยู่สักพักหนึ่งแป๊บเดียวแล้วก็ถอนออกมาเพราะว่าตอนที่ปฏิบัติแรกๆนี้กําลังของสติยังมีไม่มากมีมากพอที่จะทําให้จิตรวมเป็นสมาธิได้เท่านั้นพอรวมปั๊บมันก็หมดกําลังพอหมดกําลังกิเลสที่ต้องการที่จะดึงใจให้ออกจากสมาธิมันก็จะดึงใจให้ออกทันที แต่พอได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงแม้แต่เป็นเชือกหนึ่งเสียเส้ยววินาทีก็ตาม mm. มันจะเป็นความรู้สึกที่ประทับใจอย่างที่จะหาประมาณไม่ได้พูดประมาณไม่ได้ว่ามันประทับใจอย่างไร mm. ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้เลยใจที่โลง่งที่เบาที่เย็นที่สบาย mm. ทัาการความทุกข์ยากลำบากของร่างกาย mm. เป็นคนละโลกเลย เมื่อก่อนนี้ก่อนที่จิตสงบนี้เวลาร่างกายทุกขยากลําบากใจก็ทุกขยากลําบากไปกับร่างกายแต่พอทําใจให้สงบใจเย็นแล้วใจไม่ทุกขยากลําบากกับร่างกา ย, ยใจกลับมีความสุขสุดหาประมาณไม่ได้ถึงแม้ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยโอดยากขาดแคลนหรือเป็นอะไรไปใจไม่ไปทุกข์กับมันอีกแล้วเพราะตอนนั้นตอนที่มันสงบนั้นมัน มันแยกตัวออกจากร่างกายไปอย่างสิ้นเชิงเพียงแต่ว่ามันแยกแบบชั่วครั้งชั่วคราวท่านแบบระยะสั้นๆทังในงในเบื้องตน้นแต่มันก็จะเป็นสิ่งที่ประทับทำให้เกิดความประทับใจเกิดการเห็นคุณค่าของการทำใจให้สงบมากไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับการทำใจให้สงบเวลาใจสงบใจมีความสุขนี้ใจจะแยกออกจากร่างกายใจจะไม่แบกร่างกายเหมือนเมื่อก่อนนี้ ร่างกายจะทุบจะเป็นอะไรไปจะอดอยากขาดแคลนเจ็บไข้ได้ป่วยทุกยากลําบากในรูปแบบต่างๆใจจะไม่รู้สึกอะไรกับมัน mm hmm. แต่นี้เป็นความรู้สึกแบบชื่อแวบหนึ่งในขณะที่ได้สมาธิครั้งแรกพอออกจากสมาธิมามันก็กลับมาแบกร่างกายเหมือนเดิมมาทุกยากลําบากกับความทุกยากลําบากของร่างกายเหมือนเดิมแต่มันรู้แล้วว่า เราสามารถแยกใจของเราออกจากนั่งกายได้ด้วยการจเจริญสติด้วยการนั่งสมาธิ<ม>พอได้สัมผัสกับความสุขความสงบครั้งแรกแล้วใจมันจะติดใจจะไม่อยากจะหาความสุขในรูปแบบอื่นอีกต่อไป<ม>เคยเที่ยวก็เลิกเที่ยวเคยกินเคยดื่มก็เลิกกินเลิกดื่มได้<ม>เคยติดอะไรนี้เลิกได้อย่างง่ายได้<ม>ถ้ามีสติกำลังพอที่จะหยุดความอยากได้ อยากเที่ยวก็เลือกได้อยากกินอยากดื่มก็เลือกได้อยากไปหาเพื่อนอยากจะเข้าสังคมก็เลือกได้ก็เห็นแล้วว่าเรื่องราวเหล่านี้มันไร้สาระประโยชน์สุขที่ได้มันก็นิดหน่อยนอกจากประโยชน์สุขแล้วดีไม่ดีก็มีความทุกข์ติดมาด้วยเวลาไม่ได้ไปเที่ยวก็ทุกเวลาอยากจะเที่ยวไม่ได้เที่ยวก็ทุกเวลาอยากจะกินอยากจะดื่มไม่ได้กินไม่ได้ดื่มก็จะทุกข์ เวลาอยากจะมีเพื่อนเวลาไม่มีเพื่อนก็ทุกข์ก็จะเหงาขึ้นมามันจะเห็นโทษทันทีเห็นเห็นโทษของการเสพสิ่งเหล่านี้ว่ามันไม่ใช่เป็นเพียงแต่ด้านเดียวไม่ใช่เป็นความสุขด้านเดียวมันเป็นเหมือนเหรียญสองด้านมีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์เวลาได้เสพตามความอยากก็ได้มีความสุขแต่มันก็สุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดียวมันก็หมดไปก็ต้องคอยหามาใหม่อยู่เรื่อยๆครับ แล้วเวลาใดที่อยากแล้วหามาไม่ได้ก็โดยนั้นก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาคนที่เสพการมาสุขนี้จะรู้ทันรู้ทั้งทุกคนเพียงแต่ว่าไม่รู้จะเลิอกอย่างไรเท่านั้นเอง <S S S mm hmm. เวลามีความสุขกับแฟนอยู่ด้วยกันกับแฟนก็มีความสุขเวลาแฟนต้องไปอยู่ที่อื่น mm hmm. ไม่ได้อยู่ร่วมกัน mm hmm. ก็เกิดความเหงาเกิดความเศร้าขึ้นมา นี่แหละคือความสุขทางโลกมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเหรียญสองด้านมันสุขแล้วมันก็ทุกข์ตามกันไปสลับกันไปสลับกันมามันไม่ใช่เป็นความสุขเหมือนกับความสุขที่ได้จากความสงบเลยความสุขที่ได้เกิดจากความสงบนี้ไม่มีทุกข์ตามมาเลยถ้าสามารถทําให้มันสงบได้ตลอดเวลาแต่ในเบื้องต้นมันยังเพียงสงบได้เพียงชั่วคราวแต่มันมันก็ไม่ได้ทําให้เกิดความทุกข์เวลาที่ไม่ได้ ไม่ได้เข้าสู่ความสงบไม่เหมือนกับเวลาที่อยากจะเสพอะไรแล้วไม่ได้เสพอันนั้นมันทุกข์แต่เวลาไม่ได้เข้าสู่ความสงบมันจะไม่ได้ทุกข์อะไเหมือนกับเวลาที่เคยเสพอะไรแล้วไม่ได้เสพมันต่างกันใคยดื่มสุราแล้วไม่ได้ดื่มสุราก็จะทุกข์เคยสูบบุหรี่แล้วไม่ได้สูบบุหรี่ก็จะทุกข์เคยดื่มกาแฟแล้วไม่ได้ดื่มก็จะทุกข์ กคยกินเหล้า่อยไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆพอไม่ได้ไปมันก็จะทุกข์แต่การที่ไม่สามารถเข้าสมาธิได้มันไม่ได้มีมันไม่ได้เป็นความทุกข์แบบนั้นมันเพียงแต่เป็นการขาดความสุขยังไม่ได้ความสุขที่เคยได้จากความสงกแต่พอเริ่มรู้วิธีแล้วมันก็จะสามารถเข้าไปได้เรื่อยๆถ้าฝึกต่อไปถ้ารู้วิธีว่าการจะเข้าสมาธิต้องจเจริญสติอย่างสม่ำเสมอพอจากสมาธิมาก็ จเจริญสติต่อเลยเหมือนกับตอนที่ก่อนที่จะมานั่งสมาธิลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็จเจริญสติไปพุโทโธไปเลื่อเฝ้าดูการขึ้นไหวของร่างกายไปเรื่อยๆแล้วพอมีเวลาว่างก็นั่งสมาธิถ้ามีสติต่อเนื่องนั่งสมาธิไม่นานจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบได้มันก็จะสลับกันเข้าออกอย่างที่ไปเบื้องต้นก่อนอยู่ได้ต่อไปก็จะอ ย, อยู่นิ่งได้นานขึ้น อยากชื่อแวบหนึ่งก็อาจจะเป็น5้านาทีเป็น10บนาทีขึ้นมาเพราะกำลังของสติเริ่มมีกำลังมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราฝึกฝึกเจริญสติอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิออกจากสมาธิมาเราก็พุโทโธต่อไปหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายใช้เวลาออกจากสมาธิมาก็ดูร่างไอยวอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรร่างกายกำลังขยับแข้งขยับขา กำลังจะลุกขึ้มนมายืนก็ดูมันไปมันจะเดินก็ดูมันไปมันจะไปทำอะไรก็ดูมันไปอย่าให้ใจไปที่อื่นเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาถ้าอย่างนี้ก็เป็นการเจริญสติฝึกสติอย่างต่อเนื่องไม่ให้เผลอไม่ให้ใจลอยไปที่อื่นไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับร่างกายอย่างเดียวรู้อยู่แต่เรื่องของร่างกายอย่างเดียวเรื่องของเรื่องของคนอื่นไม่สนใจเรื่องของเหตุการณ์ตา่าง ไม่สนใจเท่านั้นให้อยู่กับนั่งกายไปหรือถ้าจะใช้คำบริกรรมพุโทโธก็ให้อยู่กับคาบริกรรมพุโทโธไปแล้วสักพักหนึ่งก็อยากจะพอมีเวลาจะนั่งสมาธิได้ ก, ก็กลับมานั่งต่อได้ก็จะเข้าสมาธิได้อย่างง่ายได้เหตุที่จะพาให้จิตเข้าสู่สมาธิได้ก็คือสติถ้าเราไม่ฝึกสตินั่ง น, นั่งสมาธิไปนานเท่าไหร่มันก็จะไม่สงบ แต่ถ้าเราฝึกสติอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนนี้เวลานั่งสมาธิเวลาเวลาไหนมันจะต้องเข้าสมาธิได้ทุกครั้งไปต่อไปมันก็จะเกิดความชำนาญสติมีมากขึ้นจเจริญอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนมากขึ้นแต่เข้าสมาธิก็จะเข้าได้ง่ายได้เร็วขึ้นและอยู่ได้นานขึ้นไปจนกว่าจะเกิดความชนานาญขึ้นมาสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการ เวลาใดใจเริ่มฟุ้งซ่านก็หยุดความฟุ้งซ่านเข้าสมาธิไปหาความสุขจากความสงบเวลาใจเกิดความอยากที่จะไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็เข้าสมาธิไปแทนแทนที่จะไปตะไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เคยทําอยู่เมื่อก่อนอยากจะไปดื่มอะไรก็ไปดื่มอยากจะไปรับประทานอะไรก็ไปรับประทานไม่มีไม่มีขอบเขตไม่มีเวลเวลา เรียกว่าดื่มหรือรบประทานตางความอยากแต่พอมีสติแล้วนี่มีสมาธิแล้วนี่จะให้มันดื่มให้มันกินเท่าที่จำเป็นมีสินสินแต่คอยกากับไว้ไม่ให้ทำอะไรให้มันเลยเถิดไปถ้าอยากจะมีความสุขก็กลับเข้าสมาธิไปมันจะทำแบบนี้แทนแทนที่จะเสพกาามสุขก็จะเริ่มกลับมาเสพสันติสุขกับมาเสพความสงบความสุขที่ได้จากความสงบ ต่อไปมันก็จะไม่ไปหาความสุขจากทางกามคุณห้าแต่ยังไม่ได้ไม่ได้หยุดเันอย่างท้าวรถ้าต้องการให้การกำจัดความสุขความอยากเสพการมาคุณห้านี้หายไปอย่างถาวรนี้ต้องไปขั้นหนึ่งที่เรียกว่าขั้นวิปัสนาวิปัสสนาก็คือการใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นโทษของการไปเสพการว่าการมาคุณห้านี้มันเป็นอนิจจังไม่เที่ยว มันให้ความสุขเราเป็นชั่วครั้งชั่วคราวได้แล้วมันก็หมดไปเวลาหมดไปความสุขที่ได้จากมันก็หายไปความทุกข์ความเศร้าก็จะเข้ามาแทนที่ทุกครั้งไปถ้าไม่อยากจะเจอกับความทุกข์ความเศร้าหรือความเครียดที่เกิดจากความอยากแล้วไม่ได้เสพก็อย่าไปอยากมันให้ตัดความอยากให้ฝืนความอยากอย่าไปทาตามความอยาก พอเราฝืนด้วยปัญญาด้วยสตินีด้วยด้วยสมาธินี่ความอยากที่เคยผลักดันให้เราไปทำอะไรต่างๆนี่มันก็จะหมดฤทธิ์หมดกำลังพอมันหมดฤทธิ์หมดกำลังความเครียดความอะไรต่างๆที่เกิดจากความอยากในช่วงนั้นก็จะหายไปทันทีเวลาความอยากหมดกำลังลงเราก็จะเห็นโดยอย่างชาัดเจนแล้วว่าความอยากนี้แหละเป็นตัวมาสร้างความเครียดสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราสร้างความฟุ้งซ่าน พอเราใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาสอนใจให้รู้ว่าการไปทำตามความอยากนี้ไม่ได้ไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรเป็นความสุขเชื่อเชื่อประเดียวประดาพอมันผ่านไปหมดไปมันก็จะปล่อยให้เราเศร้าปล่อยให้เราว้าเวปล่อยให้เราทุกข์ดังนั้นเราไม่ต้องทำตามความอยากอยากไปเที่ยวก็ไม่ไปอยู่บ้านเฉยๆไปสู้กับความอยากไปด้วยสติด้วยปัญญาไปไม่ต้องเข้าสมาธิ การเข้าสมาธินี่มันเป็นการหลบมันไม่ต้องเข้าอยู่ให้อยู่ดูความอยากไปไม่ทําตามความอยากให้ปัญญาสอนว่ามันสิ่งที่อยากได้มันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาเราควบคุมบังคับไม่ได้ถ้าเราไปเสกมันเราก็จะติดแลเราก็ต้องไปเสกมันอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนคนที่ติดยาเสพติด ถ้าเสพยาเสพติดครั้งนี้แล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากที่จะเสพครั้งที่สองครั้งที่สามไปเรื่อยๆถ้าอยากจะเลิกก็ต้องไม่เสพมันเท่นั้นเองพอเราไม่เสพมันฝืมันไปจนกว่าความอยากมันจะหมดกาลังพอหมดความอยากแล้วความเครียดที่เกิดจากความอยากจะเสพก็จะหายไปความทุ้งส่้งก็จะหายไปความสงบความสบายใจก็ปรากฏขึ้นมา แล้วต่อไปต่อให้เห็นยาเสพติดกี่ครั้งกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งก็จะไม่รู้สึกอยากจะเสพมันกลับเห็นโทษของมันกลับจะเห็นความขยะขยงเวลาเห็นมันแล้วเกิดความขยะแขยงว่าตัวนี้มันเป็นตัวมาสร้างความทุกข์ให้กับเรามาอย่างแสนสาหัสถ้าไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เราจะไม่มีวันที่จะเอาชนะมันได้เลยคนที่เคยติดอะไรนี่พอเห็นอะไรปั๊บนี่มันอดไม่ได้ ติดยาเสพติดพอเห็นยาเสพติดนี้อดไปได้มือไม้สัน่นติดบุหรี่ติดเหล้าก็เหมือนกันพอเห็นแล้วมือไม้สัน่นต้องเสพให้ได้แต่ถ้ามีกําลังของสติมีกําลังของปัญญามาสอนใจว่าอย่าไปเสพเนะีเสพแล้วมันจะทําทให้ทุกข์จะทําทให้ติดและต้องคอยเสพอยู่เรื่อยๆ เวลาไม่มีเสพมันจะมันจะทรมานมันจะลงแดงเอ่ะจะตายอ่ะคนที่ไม่คนที่ติดยาเสพติดแล้วไม่ได้เสพนี่ยมันดูสภาพของมันมันจะแสนทรมานเมื่อก่อนไม่ได้เสพยาเสพติดก็ไม่เห็นเป็นอะไรอยู่เฉยๆได้แต่พอมาเสพยาเสพติดพอติดมันเข้าไปแล้วนี่ต้องเสพอยู่เรื่อยเวลาใดที่ไม่ได้เสพแล้วมันเวลานั้นมันจะมันจะเครียดมันจะทุกข์มันจะฟุ้งซ่าน มันจะหมุดหงิดจะนำคารใจอารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆมันจะโผล่เข้ามาประประทางอยู่ในใจประดังอยู่ในใจนี่แหละคือรถของความอยากเสพกามเป็นอย่างนี้ทาการใช้ปัญญาต้องเห็นเนี่การความอยากเสพการ์มเนี่ยความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเป็นตัวที่มาสร้างความความไม่สงบให้กับใจความฟุ้งซ่านความวุ่นวายใจ แล้วถ้าไปเสพมันก็จะทําให้ความเครียดหายไปชั่วคราวเท่านั้นเองกต่วความรู้สึกก็โศกขึ้นมาแบบชั่วคราวพอฤิ์ของยาหมดปั๊บนิ์ของสุราหมดนทธิ์ของบุหรี่หมดความอยากจะเสพใหม่ก็ปรากฏขึ้นมาอีกถ้าไม่เสพก็เครียดเหมือนเดิมอีกก็ทุกข์เหมือนเดิมอีก ก, ก, ออ ก, ก็ต้องคอยเสพอยู่เรื่อยๆเสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเสพไปจนตายเนี่ยบางคนตายเพราะยาเสพติดตายเพราะสุราตายเพราะบุหรี่ เพราะเสพมากเกินไปมากเกมากกว่าที่ร่างกายจะรับได้ร่างกายมันมีขอบมีเขตที่จะรับสารทีษต่างๆเข้าไปในร่างกายได้ถ้าในอยู่ในปริมาณที่มันพอขับถ่ายได้มันก็ไม่ค่อยเป็นปัญหาแต่ถ้ามันเป็นปริมาณที่มากสะสมข้างๆไว้ในร่างกายมาก มันก็จะไปสร้างให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามอวัยวะต่างๆสูบบุหรี่เข้าไปมากๆมันก็ไปสะสมอยู่ในปอดควันบุหรี่มันก็จะสะสมอยู่ในปอดทำให้เกิดโรคปอดขึ้นมาดื่มสุรามากๆมันก็จะไปสะสมอยู่ในตับในไตทำให้เกิดโรคตับโรคไตขึ้นมาของพวกนี้เป็นพิษต่ตอร่างกายเทนะั้นแต่ก็ถ้าลองไปติดแล้วห้ามใจไม่ได้ใจห้ามไม่ได้ เพราะเวลาอยากจะเสพแล้วมันทรมานมากต้องต้องหามาเสพให้ได้ น, นี่คือการใช้ปัญญาสำหรับที่เราจะตัดการมฉันทะความยินดีความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดพา้าชนิดต่างๆนี่เราต้องใช้ปัญญาสอนใจให้รู้ว่ามันเป็นเหมือนยาเสพติดนะรูปเสียงกลิ่นรสผดผ้าพอเสพแล้วมันติดพอใครใครดูใครฟังอะไรมันติด เคยดูบอลมันก็จะติดบอลเคยดูเคยดูละครมันก็จะติดละครเคยดูอะไรมันจะติดมันอยากจะดูอยู่เรื่อยเวลาไม่ได้ดูมันก็จะรู้สึกงุ่เหงื่อลำคาญใจอันนี้แหละความติดมันก็มีหนักเบาตามสิ่งที่เราไปเสพของบางอย่างมันก็มันก็ไม่หนักมากโทษก็ไม่หนักทุกข์ก็ไม่มากแต่ของบางอย่างมันมันโทษมันหนักเจนยาเสพติดนี่เป็นของที่หนักที่สุด เราไปเสพยาเสพติดแล้วจะเจอกับความทุกข์ที่แสนสาหัสแต่ถ้าไปเสพอย่างอื่นยงก็ยังไม่ค่อยที่จะหนักหนาสาหัสเท่าไหรเรื่องกินก็เหมือนกันเรื่องเสพการเการเสพอาหารเครื่องดื่มอันนี้ก็เป็นของที่จะมาสร้างความทุกข์ทร ม, มานใจได้ร่างกายคนเราทุกวันนี้มันถึงอ้วนกันเพราะมันมันติดอาหารติดเครื่องดื่มพอพออยากกินอยากดื่มปั๊บนี่มันคว้า ม, มากินทันที พอเวลาไม่ได้กินแม่ดื่มแล้วมันรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจไม่มีความสุขใจพอได้กินได้ดื่มก็เกิดความสุขใจขึ้นมาชั่วข่าวความรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจก็หายไปเชื่วข่าวเดี๋ยวสักชั่วโมงสองชั่วโมงออยากอีกแล้วอยากกินนั่นอยากกินนี่อยากดื่มนั่นอยากดื่มนี่ทั้งทั้ที่ร่างกายมันบอกน้ําหนักเกินแล้วนะโครคภัยไข้เจ็บจะเริ่มมาแล้วนะโรคเบาหวานโรคความดัน โรคอะไรต่างๆมันก็จะตามมาอายุจะสั้นลงทั้งๆที่รู้อยู่ก็สู้ความอยากไม่ได้วัาเราตายเพราะความอยากนี่เยอะไปหมดทุกวันเนี้ยตายก่อนวัยตายเพราะโรคโรค ก, กินมากจนเกินไปหรือเสพเสพยาเสพติดเสพสุรายาเมาเสพ บ, บุหรี่เป็นเรื่องของความอยากทั้งนั้นเป็นผลที่เกิดจากความอยาก ถ้าไม่มีปัญญาไม่มาศึกษาปฏิบัติธรรมนี้ไม่มีทางที่จะชนะความอยากเหล่านี้ได้เลยจะตกเป็นธาตของความอยากนี้ไปจนวันตายเวลาตายไปแล้วความอยากมันก็ยังไม่หมดไปจากใจมันก็จะดึงให้ใจนี้ไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่นี้มาเสษการมคุณห้อีกเหมือนเดิมเ<ม><ม>พราะจเพราการจะเสดลบเสียงกิ่นลดผลพระได้นี้ จำเป็นที่จะต้องมีตาหูจมูกมิ้นกายเป็นเครื่องมืออยากจะดูลูกก็ต้องมีตาอยากจะฟังเสียงก็ต้องมีหูอยากจะลิ้มรสก็ต้องมีมิ้นอยากจะดมกลิ่นก็ต้องมีจมูกอยากจะสัมผัสกับสิ่งที่มาสัมผัสร้อนเย็นนุ่มแข็งก็ต้องมีร่างกายเป็นเป็นเป็นผู้ที่รับความสัมผัสเหล่านี้ก็จําเป็นที่จะต้องมีร่างกายก็เลยจะต้องไปเกิดใหม่หลังจากที่ตายไปแล้วดวงวิญญาณ ดวงใจนี้ก็จะกลายเป็นดวงวิญญาณที่มีความหิวโหยติดไปกับใจมีความอยากติดไปกับใจมันก็จะไปรอหารับร่างกายใหม่ก่อนที่มันจะไปรับร่างกายใหม่มันก็อาจจะต้องไปใช้รับผลบุญผลบาปก่อนถ้าทําบุญไว้มากกว่าบาปก็ไปรับผลบุญไปอยู่ในสวรรค์ชั่วข้าวถ้าทําบาปมากกว่าบุญก็ไปอยู่ในอบาลชั่วข้าวจนการบุญกับบาปไม่มีกําลังที่จะ ดึงไว้ให้อยู่ในสวรรค์แล้วอยู่ในาบาปได้ก็จะมารอเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปมารอเข้าคิวเพราะคนดวงวิญ ญ, ญาณที่มารอรับร่างกายนี้มันเยอ ะ, อะแล้วร่างกายที่ผลิตทุกวันนี้มันก็น้อยสมัยนี้ไม่นิยมกันมีลูกกันมีการคุมกําเนิดกันนียาคุมกําเนิดมีอะไรวิถีทางที่ป้องกันไม่ให้เกิดการกําเนิดพวกดวงวิญ ญ, ญาณอย่างนี้ก็ต้องรอไปรอคิวยาวไป อยู่ในโลกของทิพย์โลกทิพย์ไปเรื่อยๆแต่อยู่แบบหิวโหยไม่ได้เสพอยายะเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่ได้เสพต้องรอให้ได้ร่างกายพอได้ร่างกายมาก็ต้องมาทุกกับร่างกายถึงแม้จะได้ร่างกายมาใช้หาความสุขต่างๆจากรูปเสียงกลิ่นรสก็ดีแต่ก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ที่ไหนจะต้องเลี้ยงดูร่างกายร่างกายนี้ไม่ใช่มันจะ มันจะกินของมันเองมันจะหากินของมันเองได้ใจนี่แหละท่านเป็นผู้ที่ต้องพามันไปหากินหาหากินหาอยู่แล้วก็ต้องคอยดูแลรักษาเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยต้องคอยหาที่ที่ปลอดภัยให้มันอยู่ให้มันปลอดภัยจากภัยต่างๆอีกล้วนเป็นภาระหน้าที่เป็นสิ่งที่ใจจะต้องทําแบกภาระมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเวลากมาเกิดไม่ใช่มีแต่ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียว ความทุกข์นี่มันมากยิ่งกว่าความความสุขอีกความสุขนานๆก็จะได้สักทีได้ไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งได้ดูหนังฟังเพลงสักทีหนึ่งได้เริ่มหลับนอนกับคนนั้นคนนี้สักทีนึงก็เป็นความสุขชั่วคราวแต่ความทุกข์ภาระที่ต้องแบกมีอยู่ตลอดเวลาต้องหายใจตลอดเวลาต้องคอยหาน้ำดื่มตลอดเวลาต้องคอยหาอาหารมาเลี้ยงมันตลอดเวลาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องหายารักษาโรคมามาเลี้ยงดูมัน แล้วเลี้ยงมันไปเรื่อยๆมันก็จะต้องแก่เพราะมันแก่ก็ก็ทุกข์อีกอเวลาแก่ก็ทําอะไรไม่ได้ลาบากลาบนแล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เช่นกันแล้วในที่สุดก็ต้องตายไปอยู่ดี่นี่คือผลที่เกิดจากการที่เรายัางไม่กําจัดความอยากความอยากที่จะเสพการเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลเถอพะความอยากนี้มันก็จะพาให้เราไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายอยู่เรื่อย เราต้องกําจัดมันเบื้องต้นเราก็หยุดมันด้วยสตินั่งสมาธิเราก็ลดกําลังความอยากให้มันล ด, ลดน้อยลงไปได้แต่มันยังไม่หมดขั้นต่อไปเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจสอนให้เห็นว่าการทําตามความอยากนี้ไม่ได้นําไปสู่ความสุขแต่นําไปสู่ความทุกข์อาจจะสุขในเบื้องต้นสุขแบบผิวเผินสุขแบบเดียวๆแล้วตามมาด้วยความทุกข์เวลาความสุขที่ได้จากการเสด รูปเสียงกิน่นรสมันหมดไปก็จะเกิดความหงุดหงิดลำคาญใจเกิดความฟาุ้งซ่านเกิดความอะไรต่างๆขึ้นมาก็ต้องดิ่นไปหาอะไรมาเสดต่อเสเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอปัญหาเดิมก็จะตามมาอยู่เรื่อยๆสู้ฝืนมันดีกว่าอย่าไปทําตามมันดีกว่าใช้สติใช้ปัญญาสู้กับมันเวลาใจฟุ้งซ่านก็ใช้พุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธไปให้มันนิ่ง ไม่ตัองเข้าสมาธิเพียงแต่ทำให้เฉยไม่ให้มันเป็นไปทุกข์กับความอยากทำอย่านี้ไปเรื่อยๆต่อไปความอยากที่มีกําลังมันจะอ่อนลงอ่อนลงแล้วเดี๋ยวมันก็จะหมดไปพอหมนไปนี้ใจรู้สึกโล่งขึ้นมาเบาขึ้นมาทันี้ความอยากนี้มันจะเหมือนกับเหมือนกับก้อนหินทับทับทับอกทับใจเอาไว้ทําให้ใจนี้มีความหนักอกหนักใจพอความอยากที่มันหมดกําลังลงนี้เหมือนกับเหมือนกับมีใครเอา เอาห็นยกออกจากอกยกออกจากใจทาให้ความหนักอกหนักใจที่เคยมีอยู่กับความอยากนี่มันจะหายไปเลยใจจะว่างจะเบาจะเย็นใจจะสบายแล้วความอยากนั้นมันจะไม่กลับมาอีกต่อไปมันจะไม่กลับมารบกวนใจอีกต่อไปเพราะมันรู้ว่าสู้เราไม่ได้เราไม่ยอมมันละเมื่อเราไม่ยอมมันมันก็รู้ว่าทุกครั้งที่มันกลับมาเราก็จะไม่ยอมมันเพราะเราเห็นลดเห็นเห็นลิธของมันเห็นโทษของมัน เห็นว่ามันเป็นเหมือนยาเสพติดเห็นว่ามันเป็นเหมือนงูพิษเนี่ยมันมาทีไรต้องทุบต้องตีมันเท่านั้นต้องฆ่ามันเท่านั้นไม่ใช่ไปทําไม่ใช่ไปรับใช้มันฆ่าฆ่าความอยากนี้ไม่บาปฆ่าได้ฆ่ากิเลสตัณหานี่ยฆ่าได้ไม่บาปทําได้ถ้าไม่ฆ่านี่หลับบาปถ้าไม่ฆ่าก็ยังต้องถูกมันสร้างความทุกข์ให้กับเราอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าฆ่ามันได้แล้วเราก็จะวิมุติหรือพ้นจากความทุกข์ได้ อันนี้แหละคือเป้าหมายของการปฏิบัติในที่สุดก็ต้องการวิมุติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจากความอยากต่างๆเพราะฉะนั้นเราต้องมาปฏิบัติในธรรมะ ก, กันมาเจริญสติมานั่งสมาธิแล้วมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อที่จะได้ใช้ปัญญานี้มากำจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจอย่างถาวรต่อไปนี่คือเรื่องของภารกิจในวันพระของอุบาสกอุบาสิกาที่จะมาปฏิบัติกัน การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวหาปูร า, าริกปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตชินังเปตานาังอุ ป, ปกาปะติอิชิตังปัติตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยถามณิจโตติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฉันตุสัพพารโควินัสตุมาเตภวัตวันตาาโยสุขีตีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิสะนิจังวุฒาปะจายโน จตารโธมาวทานติอายุวันโอสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเดี๋ยววันนี้มีชาวต่างชาติมาเดี๋ยวจะอาจจะให้เขาถามก่อนวันนี้มีผู้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook 382ท่านทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติ364ท่านทาง YouTube Dr. V Channel 54ท่านวิทยุออนไลน์9ท่าน Clubhouse 5ท่านผู้รับฟังหน้ากุติ135ท่านรวมทั้งหมด949ท่านครับ okay. Do you have any question? Would you like to ask any question? Yes. Come on, and I'll give you the microphone. Let's s e there. Can you help me talk a You have to speak close to the microphone. Just, just talk to this. Yeah, yeah. Yes. closer. Ah, okay. uh, Tanajan, um, I have defilements uh, like annoyance, uh, irritation. Uh, I'm, how can I get rid of it? Can you speak louder? Uh, yeah, n n I have defilements like annoyance, irritation. Um, how can I get rid of it? I do meditate. Uh, how do I get rid of these defilements? Well, basically, you have to do e practice more mindfulness. My mindfulness. Yes. And when you have mindfulness, your mind will be less reacting to things around you. So less irritation, less annoyance. Your annoyance arises from your reaction towards things around you. So you have to reduce it by using mindfulness to calm your mind down more. So practice a lot mindfulness and meditation, and as your mind become calmer, then the irri irritation and annoyance will be less. So mindfulness first, and yes. then meditation. Yes. Mindfulness all day long if you can, and then whenever you have time, meditate as much as you can also. So do both of these things. But you first need to have mindfulness before you can meditate Meditation. successfully. Okay. Thank you. All right. Thank you. Another way is to accept things as they are. Yeah, okay. Sometimes it's hot. Sometimes it's noisy. Sometimes people are rowdy. Just let them be. Treat them like the weather. If you treat them like the weather, then you can accept them for what they are. You don't get annoyed with the weather, do you? Okay. You accept it, You're accepting. Yeah. Okay. You may do. มี a าติโยมที่แคน a ดาเธอทำว่ a พูดดังๆหน่อยอยู่ไหนครับพูดดังๆหน่อยได้ครับมียัดโยนที่อเมริกาเธอถามว่าพระชานสุชาติ Why do we feel at home in one country instantly, even though we might not know anyone, while we don't in others? Is this sense of belonging or feeling comfortable something that our จิตตา is telling us which we don't understand? Should we pay attention to this feeling? Well, you have a certain affinity to certain things. You like something. You you dislike some other thing. So when you run into something you like, you just you just like it. <laughs> so it's just a matter of your like and dislike that has been embedded in your mind before. If you like hot country, when you go to the Sahara, you you enjoy it. If you like cold country, you go to the north, north pole, and you can enjoy it. Yeah. So it's a matter of what kind of light you have embedded in your mind. This is this is a uh, this light has been accumulated accumulated through the past lives. You, normally, we will try to uh, stay away from the things we don't like and go after the things we like. So this light and this light will continue to multiply in your mind. So whenever you go to a place that you like, then you suddenly will just like it. And when you go to a place you dislike, you'll dislike it. And there are places that you neither like or dislike. Then you just feel neutral about it. So this is something we call karma. What we have done in the past, liking something or disliking something, will keep uh, embedding in our mind. So that whenever we came came across the same thing again. we will have the same reaction again, but we can change this by meditation practice, because when you meditate, your mind can become calm, and then you can stop the like and dislike, and you can just be anywhere without having any any impact on you. Is that good enough? I think so, ครับแลผมก็มีท่ามกาท่าของตัวเองด้วยครับสด เอาเลยถามเลยโอเคครับผมอ่าผมก็ใช่วิธีของกลางการเครื่องวายปวดที่จ ะ, ะแก้ ป, ปัญหาของความน่วงนอน อ, อ, อแต่ว่าพระอาจานเ์จอจะแนะนําุณควรทําำอย่างไรปวดที่จะมีประโยชน์อดัน บ, บูดาพระพุทธเจ้าเสร็จต้องรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารไม่กินมากเกินไปไม่กินน้อยเกินไปกินพออยู่ได้ เช่นถือศีลแปด<ะ>ไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วหรือทุดหรือุดองขวัตกินมื้อเดียวของอย่างพ้านนี้กินมื้อเดียวก็จะแก้ปัญหาเรื่องง่วงนอนได้ครับโอเคท่านนั้พระอาจานย์ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับไ ม, ไม่ไม่แนะนํำยังไงการเคลื่อนไหวแบบนี้ค่อยค่อยเห็นไหมครับมันมีแบบต้องเคลื่อนไหวแบบธรรมชาติไม่ใช่ไม่ใช่ acting เคลื่อนไหวอ๋อนะ มันเป็นธรรมชาติเราะกินข้าวเนี่ยก็เคลื่อนไหวอยู่แล้วก็ดูการการกินข้าวไปอาบน้ำก็เคลื่อนไหวแต่มันเป็นธรรมชาติมัน something normal something you do naturally don't act like oh raise your hand put your this is the abnormal acting you don't want to do that because your life is not acting your life is doing things so you just watch what you do that's all understand เข้าใจครับขอบคุณมากครับ Tanya Jan, um, I have a question. I am new to Buddhism, so I just started basic learnings. So what I learned is we have to be, I have to be content, like be happy within my mind. Um, don't worry about too much about what's happening out there. My conflict that I have is so many things are happening outside. The war, Israel. Has a b o u l a h Ukraine, Russia. People are dying and suffering. Meanwhile, I need to tell myself, okay, I need to stay away from those. So I have this conflict um, internally. So how do I address that? You just have to accept what happens because it's something you cannot change or do anything about. So I think that's my problem, though. I can't just accept it, right? Things are happening. And then you that. have to suffer. Then you have to accept t t If you don't want to suffer, then you accept it. Like the weather, can you change the weather? And you want it to be cooler in Canada right now. You cannot, but so you accept it, so you don't have any problem with w t h the hot weather here, so because you know you cannot change it. So what about those people? They are suffering right now. That's their problem, not your problem. Mm. If you can help them, do it. If you can, if you cannot help them, what what else can you do? What can you do? So help, do whatever you can, and that's about all that you can do. And if anything beyond your control or your ability, then you just have to let it be. To mm. feel bad about it doesn't change anything anyway. Mm -hmm. Okay. You have to accept the hard fact of life. The Buddha said life is suffering. If you don't want to see any suffering, don't don't don't take birth. Okay. Mm. That's what the Buddha did. He didn't want to see this suffering anymore, so he stopped his birth. He doesn't take birth anymore. As long as we continue to take birth, we'll come and see this thing. This is the nature of the world. The world is always suffering because of struggle, because of opposing cravings. People craving for the same thing, so they have to fight for them. That's all. If we have no craving, t h e n e l e never be any fighting. There'll be plenty to eat, plenty to go around, plenty to share. But our craving—we only want it for ourselves, only nobody else. I—I—I I, I, I guess I can tell myself to gradually accept this. Um, I could be accepting this, or I could be going out to help them. Yes, or suffer, whatever. Yeah. Okay. And you cannot do. You cannot help the whole world. You can only help so much, right? Do so much. Mm -hmm. Okay. Okay. t h a n d if you want to accept it, then you have to meditate. When you meditate, when your mind becomes calm, then you will accept everything. That's mm -hmm. what. That's the purpose of meditation. Mm -hmm. To calm the mind down to the point where it can accept anything that happens. Mm -hmm. Okay. Thank okay. you. Right. มีคําถามจากผู้รับฟังธรรมะนากุติเจ้าค่ะถามเข้ามาว่าวัตถุมงคลถ้าจะไม่บูชาแล้วควรเอาไว้ไหนไว้ได้ที่ไหนครับก็ไว้ที่เดิมอ่ะคุณตอนนี้ไว้ที่ไหนก็ไว้ที่ของนั้นนะเนทีเป็นปัญหาตรงไหนเจ้าค่ะจากคุณใบยกเจ้าค่ะลูกนั่งสมาธิจนถึงสภาวะของอุเบกขาสี่สิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมง หรือหนึ่งชั่วโมงครึ่งจิตรวมก่อนเวทนาเกิดคือจะนั่งนานเท่าไหร่จิตก็จะคงอยู่ที่สภาวะนี้เพราะไม่ตามไปดูสิ่งลวงต่างๆขณะนั่งพอลูกออกมาสักพักความคิดปรุงแต่งเกิดลูกจึงเข้าใจแบบนี้ว่ากำกับสติด้วยคำบริกรรมนี้ต่างหากจุดสำคัญ เพราะถ้าแม้จะนั่งนานเท่าไหร่ก็ตามออกมาความคิดฟุ้งก็ยังคงอยู่คำบริกรรมนี้ต่างหากสาระสำคัญลูกเข้าใจถูกต้องหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ชี้แนะเพิ่มเติมให้ลูกด้วยเจ้าค่ะถูกต้องสติเป็นตัวกรรมกับใจทำใจให้สงบถ้าเพลิดสติมาไรเดี๋ยวใจฟุ้งสร้างขึ้นมาคิดมากขึ้นมาทันทีเค่ะมีคาถามฝากถามเข้ามาว่า กราบเรียนท่านพระอาจารย์ที่เคารพลักยิ่งขอกราบเรียนถามว่าผู้ที่สนใจในการปฏิบัติธรรมจำเป็นที่จะต้องไปฝึกปฏิบัติที่วัดในป่าที่ลำบากลำบนเพื่อจะได้เห็นกิเลส ต, ตนเองอันเนื่องจากต้องอดทนอดกลั้นฝืนใจอยู่ในที่ที่ลำบากอากาศแปรปรวนเช่นหน้าฝนอับชื้นหน้าร้อนหน้าหนาวอากาศร้อนจัดและหนาวจัด ตลอดจนไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆต้องช่วยทำงานต่างๆในวัดถือว่าเป็นการฝึกฝนให้เอาชนะความทุกข์ทางกายซึ่งจะช่วยสนับสนุนในการเอาชนะความทุกข์ทางใจต่อไปขอกราบเรียนพระอาจารย์ว่าจำเป็นต้องอดทนในเรื่องต่างๆเพื่อจะให้เห็นกิเลสตนเองชัดขึ้นเพราะการอยู่ในที่สะดวกสบายความสะดวกสบายจะปิดบังกิเลสของเราไปหมด ทำให้การปฏิบัติอาจก้าวหน้าอาจไม่ก้าวหน้าเพราะไม่เห็นความทุกข์ทั้งกายและใจค่ะหรือปฏิบัติธรรมในบ้านของเราซึ่งมีความสะดวกมากกว่าโดยเราค่อนข้างเข้มงวดกับตัวเองแต่เราจะไม่มีสิ่งที่รบกวนใจในการปฏิบัติเช่นในป่าหรือวัดทำให้ปฏิบัติได้เต็มที่ไม่มีปริโภลนะคะควรพิจารณาเช่นไรคะ ก็ต้องทำตามกำลังของเราถ้าเรายัางไปสู้กับความทุกข์ยากลาบากไม่ได้แล้วก็ปฏิบัติในที่ที่มันไม่ค่อยมีความทุกข์ยากไปก่อนแต่ที่ที่มันสบายมันก็จะไม่สามารถที่จะได้ทำขั้นสูงเพราะว่ามันยังไม่ได้มีความทุกข์เข้ามาเป็นตัวปัญหาแต่ถ้าเราต้องการทำขั้นสูงอยากจะยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นเราก็ต้องไปหาความทุกข์ เพที่มันจะได้กระตุ้นให้เราเกิดปัญญาเกิดสมาธิเกิดสติขึ้นมาไว้สู้กับความทุกข์ต่างๆแต่สำหรับเบื้องต้นถ้ากําลังของสติปัญญาของเรายังยังอ่อนอยู่ยังไม่มากพอไปแล้วยังสู้ไม่ไหวก็อย่าพิ่งไปก็อยู่ในที่ที่เราพอที่จะปฏิบัติได้ไปก่อนจนกว่าเรารู้สึกว่าเรามีสติปัญญาพอที่จะไปขึ้นสู่อีกระดับหนึ่งได้แล้วเราค่อยขยับไปมือนเรียนหนังสือตอนต้นก็ให้เด็กข้อนุบาลก่อน ให้หัอยู่กับเพื่อนก่อนหัหเรียนวินัยก่อนมีเวลาทํำนู่นทํานี่ไปก่อนอยู่บ้านไม่มีวินยัยไม่มีใครสอนให้ทําอะไรจะให้ไปเรียนชั้นปปหนึ่งเลยอาจจะยังเรียนไม่ได้ mm. ก็ไปเรียนอนุบาลก่อนแล้วค่อยๆข ย, ยับขึ้นไปสู่ปัธยมสู่มัธยมตามลําดับต่อไปความยากมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามลําดับถ้าต้องการความเจริญความก้าวหน้ามันก็ต้องเจอกับความยาก เาะความยากนี่มันจะทำให้เราเก่งขึ้นมีวามสามารถมากขึ้นแล้วความสบายนี้ทำให้เราขี้เกียจทำให้เราไม่ต้องแก้ปัญหาอะไรงั้นถ้าเราอยากจะก้าวหนา้าเราก็ต้องขยับขึ้นไปทีละขั้นตามกำลังของเราเช้ค่ะพี่เจียฝากเขาฝากคำถามมาว่าถ้าทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น แล้วแบกภา ร, ระไว้ที่ตัวเองลำบากทั้งกายและใจแล้วก็ทุกได้บุญได้กุศลถือเป็นการทำความดีไหมคะได้ก็เป็นพระโพธิสัตว์ไปก่อนไงพระโพธิสัตว์นี้ก็ยินดีทุกเพื่อคนอื่นทุกยากลาบากเพื่อเพื่อคนอื่นเขาเรียกว่าสร้างเมตตาบารมีสร้างทานบารมีไปก่อนแต่สำหรับคนที่อยากจะไปเป็นบรรุมรรคผลเลยก็อาจจะทิ้งทุกอย่างแล้วก็ไปปฏิบัติอยู่ในป่าคนเดียว อันนี้ก็จะได้มากผลเลยแล้วแต่ว่าอยากจะไปทางไหนอยากจะไปทางบา ร, รมีแล้ว อ, อยากจะไปทางมรรคแปดถ้าอยากจะไปทางมรรคแปดก็ต้องเข้าเข้าป่าเข้าเขาถือธุดงคขวัดไปปฏิบัติทำไปแต่ถ้ายังอยากจะสร้างบา ร, รมีไปเรื่อยๆก่อนยังไม่อยากจะไปไปถึงนิพพานในภพนิชานี้ก็ไปรับใช้คนอื่นไปก่อน บ, บอนอนอนนรสรอรรสร้รรรช a c h e คำถามต่อไปกราบนมัสการครับหลวงพ่อขอโอกาสสอบถามครับผมหากเราฝึกหัดภาวนาประจำแต่ไม่เกิดผลคือจิตใจสงบยังฟุ้งซ่านอยู่แบบนี้จะเกิดอานิสงส์หรือบุญคุณสนไหมครับถ้าจิตยังไม่สงบยังไม่มีความสุขก็ยังไม่เกิดยังนั้นต้องศึกษาวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องก่อนวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต้องสร้างสติขึ้นมาก่อน ตอนที่จะไปนั่งสมาธินี้ถ้าไม่มีสตินั่งไปเท่าไหร่ก็จะไม่สงบแต่ถ้าฝึกสติอย่างต่อเ น, นื่องตั้งแต่ตื่นจนถึงเวลาที่เรามานั่งสมาธิเวลานั้นจะทำให้จิตสงบได้ง่ายได้เร็วขึ้นเช้าค่ะคุณภูเปศถามเขามาว่าพระอาจารย์คะในอุบัติเหตุหมู่ที่เกิดขึ้น เป็นวิบากกรรมร่วมกันมาหรือเปล่าเจ้าค้าถึงได้มาเกิดร่วมกันในจำนวนมากหากในปัจจุบันควรจะช่วยอะไรได้บ้างเจ้าค้าในการให้กําลังใจทางใจกับหลายๆท่านได้เจ้าคะพยรญชนาเกิดเท่า น, นั้นเองทำอะไรได้าเกิดก็ต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนจะตายพร้อมกันหรือจะตายต่างกันมันก็ตายเหมือนกันแต่ตายที่เดียวกันหรือตายคนละที่มันก็ตายเหมือนกันมีคนตายอยู่ทุกวันไม่เป็นข่าวนะ มันเปคนตายเป็นกี่พันกี่หมื่นนะแต่พอมันคนตายแค่ไม่กี่คนกลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาทันทีเพราะเราไม่คิดถึงความตายกันเราคิดว่ามีมีแต่คนอยู่กันแต่คนตายเขาไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, มาประกาศบอกว่าเขาตายแล้วท่านเองแตด่ดูดูที่โรงพยาบาลเล ท, ทุกวั น, นมีคนตายตามโรงพยาบ า, เาเลเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นต้องต้องยอมรับความจริงว่าถ้ามีการเกิดเท่าไหร่ก็ต้องมีการตายเท่านั้น แม้กระทั่งตัวเราก็ต้องตายบางทีเราอาจจะลืมว่าเราจะไม่ยังไม่ตายก็ได้แล้วต่อไปก็อาจจะต้องเป็นเหมือนเขาอาจจะถูกไฟคล อ, อ ก, ก็ได้ไม่คล อ, อกตอนเป็นก็ต้องคลองตอนตายใช่ไหมเวลาตายเขาก็จับยัดเขา้าเตาอยู่ดีนั่นมันตายเหมือนกันนะถ้าไม่อยากจะตายก็อย่ามาเกิดเท่านี้เชื่ค่ะคุณดวงพรถามเข้ามาว่า ไม่อยากเกิดมาเป็นมนุษย์อีกต้องปฏิบัติเช่ไรเจ้าค่ะให้บวชชีแล้วก็ปฏิบัติทุดงควาเหมือนพระถึงกินข้าวมื้อเดียวกินอาหารในบาทตึนต้นแล้วก็อยู่เปรกไวิเวกไม่สังคมกับใครไม่ไม่ไม่คุยกันไม่ดูอะไรไม่ฟังอะไรเอาแต่สติสมาธิปัญญาอย่างเดียวอย่างนี้ก็จะทำให้กลับไม่ต้องกลับมาเกิดได้เจ้าค่ะคุณพรทิพย์ ถามคขา่าว่าจิตเป็นหนึ่งคืออะไรและทําอย่างไรคะจิตรวมไงธรรมดาจิตมันจะคิดฟุ้งซ่านไปเรื่องราวต่างๆเรียกว่าจิตกระจายนี่ถ้าเราใช้สติหนึ่งจิตเข้ามามันก็จะรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้ไม่คิดปรุงแต่งใจมันก็จะไม่กระจายเขาเรียกว่าจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวคือสักแต่ว่ารู้ช้าค่ะจากคุณแอนนี่คําว่าศยลปศาสตร์ทางพุทธศาสนามีคำนิยามหรือไม่เจ้าคะ่ะ เราไม่รู้นะเราเรทยพุทธะมาไม่มีให้ไม่มีไม่ได้เกี่ยวอัญาศาสตร์แต่อย่งอางใดอาศาสตร์เป็นคนอาศาสตร์กันคนละวิชากันใช่ค่ะมีผู้ไม่ประสงค์ออกนามถามเข้ามาว่ากรรบนมัชกา ร, รพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูขอโอกาสถามคำถาม หนูเคยฟังประวัติพ่อแม่ครูอาจารย์สายหลวงปู่มั่นที่ท่านเคยเจอเนื้อคู่ในอดีตชาติหลายองค์เป็นเรื่องราวที่น่าเชื่อน่าเหลือเชื่อหลายต่อหลายครั้งหนูเห็นว่ามันมีประโยชน์นํามาพิจารณาให้เห็นว่าการเวียนไหวตายเกิดมีจริงทําให้เรารู้สึกถึงว่าโชคดีที่ได้เกิดมาเจอศาสนาพุทธได้พิสูจน์ว่าเรื่องเหล่านี้มีจริงเรียนขอความเมตตาพระอาจารย์ว่า พระอาจารย์เคยมีประสบการณ์แบบนี้ใหม่เจ้าคะ่ะแล้วในฐานะุูกศิษย์ควรน้อมนำมาพิจารณาให้เป็นประโยชน์อย่างไรให้ได้ประโยชน์ในเส้นทางธรรมเจ้าคะ่ะควรมีความหนูขอากราบขอขมาและขอความเมตตาด้วยเจ้าคะ่ะมีก็ไม่บอกัเรื่องส่วนตัว <c oughs> มามาประจานตัวเองทำไม <c oughs> หล ด, ด้ ย, ยังยังยังมีค่ะ <c oughs> อยากจะถามเลยถามว่าะส่งมาของคนไหมน้องกาพัชฌานเจ้าค่ะที่อาจารย์สอนหนูให้ทําสติปัฏฐานหนูเห็นลมเ อ, อ่อแล้วก็เห็นการเข้าออกของลมในร่างกายเจ้าค่ะแล้วก็หนูเห็นจิตที่เคลื่อนออกไปคิดแล้วก็กลับพอรู้สึกตัวก็กลับมากับที่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 ลูกชื่อนายชันสัก์ลูกขอสอบถามเรื่องภาวนาขอรับตอนนั่งภาวนาด้านหลังจะเอ็นลงไปทุกวันครับท่องพุทโธแล้วก็หยุดไม่ไม่ให้เอ็นไปด้านหลังไม่ได้ต้องออกจากสมาธิแล้วมาตั้งตัวตรงแล้วเข้าสมาธิภาวนาใหม่อยู่เรื่อยๆไปขอรับลูกจะต้องแก้ไขอย่างไรขอรับหลวงพ่อลูกขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยชี้ทางให้ด้วยครับเวลาไม่นั่งสมาธิมันเอ็นหรือเปล่า ถ้าเองก็แสดงว่าจิตเป็นเคริม้มจิตไม่มีสติพอฉัอ้นต้องฝึกสติให้มากกว่านี้ก่อนที่จะมานั่งถ้าไม่มีสติพอนั่งปับ๊บพอไม่มีสติมันก็เคลิ้มเคลิ้มแลมันก็ปล่อยให้ร่างกายเองไปเองมาได้ฝึกสติให้มากมาก่อนที่จะมานั่งสมาธิพยายามพูดโทไปทั้งวันเลยเช้าค่ะมีคําถามจากทาง youtube กราบพระอาจารย์ที่เค า, ารพยิ่ง โยมขอถามว่าผู้ที่ฆ่าตัวตายด้วยการผูกคอตายเขาทํากรรมชนิดใดคะถึงทําแบบนี้เจ้าค่ะก็เขาก็ฆ่าตัวตายทํากรรมชนิดไหนเขาเคยฆ่าตัวตายมาก่อนเขากลับมาฆ่าตัวตายอยู่เรื่อยๆเวลาเขาเจอปัญหาที่เขาแก้ไม่ได้เขาก็แก้ด้วยการฆ่าตัวตายเขาถึงบอกว่าถ้าฆ่าตัวตายสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะกลับมาฆ่าตัวตายห้าร้อยครั้งด้วยกัน ก็ ต, ต้องหยุดการฆ่าตัวตายต้อหยุดการแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายต้องมาฆ่ากิเลสกิเลสจะเป็นตัวที่ต้องฆ่าเพราะมันเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจร่างกายมันไม่ได้เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจไปฆ่าร่างกายความทุกข์กับใจมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เพราอกรรมมาเกิดใหม่ความทุกข์เดิมมัก็กลับมาเกิดใหม่แล้วก็ไปฆ่าตัวผิดฆ่าผิดตัวไอ้ตัวที่ต้องฆ่าไม่ฆ่าก็ฆ่ากิเลสฆ่าความอยากต่างๆเจ้าค่าจากคุณวราพร ขออนุญาตกราบเรียนขอกาสขอคําแนะนําการเดินปัญญาเริ่มอย่างไรทําอย่างไรคะก็คิดถึงตายรักคิดถึงทุกอย่างไม่เที่ยงข้าวของเงินทองทรัพย์สมบัติลาบยศสารเสริญสุขนี้ไม่เที่ยงมาได้ไปได้มีได้หมดได้ดังั้นอย่าไปยึดไปติดอย่าไปอยากามันอยู่แบบไม่มีลาบยศสารเสริญสุขจะดีกว่าจะได้ไม่ทุกข์เวลามันหมดไปมันเสื่อมไป เจ้าค่ะจากคุณอ้อเจ้าค่ะขอสอบถามค่ะพระอาจารย์โยมไปเรียนสมาธิตอนไปสองคนกับแฟนได้นั่งสมาธิสงบพอมีคนอื่นขอไปด้วยจิตโยมกับฟงซาดเหมือนไม่ชอบให้คนอื่นไปด้วยเพราะอะไรคะพระอาจารย์เพราะความอย า, อยากอยู่สองกับสองกับแฟ น, น, นจากคุณศิริการเจ้าค่ะ ขอกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะขอสอบถามเรื่องการนั่งสมาธิเจ้าค่ะในขณะนั่งสมาธิดูลมหายใจไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกลมเบาลงแต่ก็ยังรู้ลมหายใจอยู่แต่มีอาการเหมือนสะดุง้งลักษณะอาการแบบนี้คืออะไรเจ้าคะก็เป็นนิจจังทุกขรังแล้น้ำตาไปอาการตา่างๆให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปก็พอไม่ต้องไปยุ่งกับมัน เป็สิ่งที่เราห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้บางทีมันจะมามันก็มาบางทีมันจะไม่มามันก็ไม่มาหมดแล้วใช่ไหมเจ้าหายโอเคหมดแล้วครบหเวลาพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุ